บทที่95ตั้งจิตอธิษฐานสมภารวัดป่ามะม่วงเดินทุดงกลับหลวงพ่อในป่าเป็นเวลาสองเดือนเต็มนับแต่ออกจากวัดเขาได้เข้าไปยังเมืองหงสาวดีที่ท่านเคยถูกจับมาเป็นตัวประกันเมื่อชาติที่แล้วอยู่เมืองหงสาวดีปีหนึ่งเต็มๆแม่ทัพอีกนายหนึ่งจึงมารับกลับท่านจึงต้องตอบแทนบุญคุณแม่ทัพคนนั้น ซึ่งในชาตินี้เกิดเป็นผู้หญิงหลวงพ่อดำได้พาท่านไปนมัสการพระเจดีชเวดากองปูชนียสถานอันเลื่องลือของประเทศพมา่าจากนั้นก็ได้พากันเดินทางต่อไปยังอ่าวเบงกอลท่านได้ของดีมามากไม่ว่าจะเป็นคาถาอาคมต่างๆหรือวัตถุมงคลโดยเฉพาะพระพุทธรูปปางพุทธลีลาสมัยสุขโขทยัย อายุเจ็ดร้อยกว่าปีที่หลวงพ่อองค์หนึ่งมอบให้ด้วยเหตุผลที่ว่าฝันเห็นท่านตอนกลางคืนพอรุ่งเช้าได้พบท่านรูปร่างหน้าตาเหมือนในฝันเกิดถูกชะตาถึงกับยอมมอบสิ่งที่รักและเก็บรักษามานานให้ท่านไว้เป็นที่ระลึกอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านรู้สึกประทับใจเป็นพิเศษคือพระพุทธรูปขนาดใหญ่ สร้างด้วยหินยกสีขาวก้อนมหึมาสลักสล่าวอย่างงดงามตามแบบศิลปะพมา่าในความงดงามนั้นท่านยังมองเห็นความเมตตาปรานีที่ฉายออกมาจากพระพักจึงตั้งจิตอธิษฐานในบัดดลนั้นว่าหากข้าพเจ้ามีบุญญาธีการขอให้ได้พระพุทธรูปแบบนี้ไว้บูชาในประเทศของข้าพเจ้าและจะขอถวายพระนามว่า พระพุทธโกดมอุดมโชคสิ้นคำอธิษฐานลมแรงพัดผ่านไปววบหนึ่งแล้วสงบลงท่านรู้ว่าคำอธิษฐานจะเป็นจริงเมื่อท่านอายุเจสองก่อนแยกทางกันหลวงพ่อในป่าได้บอกเคล็ดลับหลายอย่างให้กับิทย์พร้อมทั้งํำชับไม่ให้เล่าเรื่องหลวงปู่เทพอุดรให้ผู้ใดฟังด้วยเป็นอาถรรพ์และบุคคลผู้นั้นจะต้องตาย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 45เดินทางเข้าประเทศไทยโดยใช้คะถาย่นระยะทางและมาถึงบ้านโยมมานดาก่อนเวลาเพลงเล็กน้อยท่านเข้าไปกราบโยมมานดาและถามหายมบิดาโยมพ่อเข้าไปบวชอยที่วัดพรมบุรีตั้งแต่เดือนที่แล้ววันนี้นางจำแรงมนีมนท่านมาฉันเพลงที่นี่ประเดี๋ยก็คงจะมาแม่จวนบอกพระ ลูกชายพูดยังไม่ทันขาดคําพระภิกษุพองก็เดินเข้ามาในบ้านกลั้นเห็นพระลูกชายก็ตรงเข้ามากราบเพราะตามวินยัยผู้บวชก่อนถือว่าอาวุโสกว่าผู้บวชทีหลังหลวงพ่อคิดยังไงถึงเข้ามาสู่ร่มกาสาวพัดครับภิกษุอายุพรรษามากกว่าถามหลวงพ่อผู้ซึ่งอายุพรรษาน้อยกว่าท่าน ก็ผมเห็นโยมเขาเจ็บอดอดแอดๆคิดว่าถ้าผมบวชแล้วแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลว่าให้จะทำให้เขาดีขึ้นอีกอย่างหนึง่งผมก็ถือศีลแปดมาตั้งแต่ท่านเกิดซึ่งก็เหมือนกับบวชอยู่แล้วจึงได้ตัดสินใจบวชทั้งสองข้อนี้ก็ยังไม่ใช่เหตุผลสำคัญที่สำคัญคือข้อที่สาม ผมเห็นท่านออกทุดงเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยเพราะป่าดงพงไพรเต็มไปด้วยอันตรายนานาประการผมจึงบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ท่านด้วยเชื่อมั่นในความรักที่พ่อมีต่อลูกว่าจะด้วยช่วยปกป้องคุ้มครองภัยให้ท่านได้เหตุผลประการสุดท้ายอย่างความทราบซึ้งให้แก่พระครูเป็นล้นพน้นท่านก้มลงกราบพระอรหันต์ ของท่านสามครั้งด้วยความเคารพ บ, บูชาอย่างสุดซึ้งภิกษุต่างวัยและต่างพันษานั่งสนทนากันได้สักพักนางจำแรงและเด็กชายชำนิก็ช่วยกันตั้งสำรับภิกษุวัยส5้าทักทายหลานชายว่าไม่เจอกันหลายเดือนเอ็งเป็นหน่มแล้วนะเกี่ขวบแล้วละ่ะชีขวดครับหลวงนาะเด็กชายตอบ ห้าขวบแล้วไอ้หนูสี่ขวบนัเมื่อปีที่แล้วนางจำแรงทักท้วงเด็กชายจึงพูดใหม่ว่าแม่บอกว่าห้าขวดฉีขวดเมื่อปีที่แล้วขวบนะไม่ใช่ขวดพูดขวดบ่อยๆเดี๋ยวแม่เองก็เกิดเปรี้ยวปากขึ้นมาก็จะยุ่งท่านย้าพี่สาวคนเล็ก แม่จนจึงถูโอกาสรายงานความประพฤติของลูกสาวว่ามันกลับมาดื่มอีกแล้วล่ะท่านโยมว่าเสียจนไม่รู้จะว่ายังไงแล้วคืนว่ามากๆข่านี้ไปอยู่ที่อื่นแล้วแม่จะว่ายังไงคนติดเล่าย้อนโยมแม่อย่าไปว่าเขาเลยเอาไว้ให้ธรรมชาติลงโทษเขาดีกว่าภิกษุวัยส้าว่าพี่สาว มันไม่น่าจะมาเกิดเป็นลูกข้าน่าจะไปเกิดเป็นลูกพี่เรียนจึงจะเหมาะกันแม่ก็เมาลูกก็เมาเขาจะเดเรียกว่าแม่แก้วลูกแก้วแม่จวนยังอยากว่างั้นข้าเป็นลูกแก้วของแม่ก็แล้วกันนางจำแรงสรุปข้าไม่รับนี่ลูกแก้วของข้าคือองค์นี้ แม่จวนชี้มาที่พระครูอย่าไปสนใจเขาเลยใจยโยมเดี๋ยวเขาเกิดหนีไปจริงๆโยมแม่ก็จะลำบากเป็นครั้งแรกที่นางจำแรงเห็นว่าพระน้องชายพูดดีมีสัมมาคาระวะํำนี้เอ็งจำไว้นะโตขึ้นห้ามกินเหล้าจะได้ไม่เมาอย่างแม่เองท่านบอกหลานชายครับหลวงนาะหนูไม่กินหรอกเหม็นจะตาย แม่กินเหล้าแล้วก็ทะเลาะ ก, กับพ่อหนูรำคาญหลานชายรับคําไอ้หนูเองชักจะพูดมากไปหน่อยแล้วไปเลยปะไปเล่นที่ไหนก็ไปไปะนางจําแลงชักเคืองลูกชายคนเล็กไม่ไปหนูจะดูหลวงตากับหลวงหน้ากินข้าวดีแล้วไอ้หนูนั่งอยู่ตรงนี้แหละใครทําอะไรเองเดี๋ยวหลวงตาจะเข็นกระ บ, บานมัน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 ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนี่ตายซะแล้วหรือไปที่ชอบที่ชอบเถอะนาโยมอูนนะภิษุวัยส5้าพูดปงปรงๆอีกเรื่องหนึง่งคือโยมอองได้มาขออาศัยอยู่ที่วัดนี้ผู้หญิงหรือผู้ชายมาจากไหนผู้หญิงครับอายุร่วมห0สิบแกบอกว่ามาจากอัมพยอินจะมาเข้ากรรมฐานแกคุยอวดว่า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 มาถัดจากวันที่หลวงพ่อออกธุดงครับนี่ก็ขาดอีกวันเดียวจะครบสองเดือนแม่ชีเขียวพามาขึ้นกรรมาฐานกับผมแล้วก็ช่วยสอนให้ผมไม่ถนัดสอนคนตาบอดแถมเป็นผู้หญิงเสียด้วยเกิดเดินมาชนผมเข้าผมก็จะต้องอาบัติปล่าเปล่าท่านให้เหตุผลสมภารอยากจะเย้วลูกวัดหากก็ต้องเปลี่ยนใจ เพราะเกรงจะไปสะกิดแผลหัวใจที่กําลังจะตกสะเก็ดของพระมหาหนุ่มเข้าจึงถามว่าแล้วแกพักอยู่ที่ไหนแม่ชีเขียวให้พักอยู่ในโรงครัวครับแกช่วยเฝ้าสมบัติของวัดได้เยี่ยมมากใครๆมาขโมยของในครัวแกรู้หมดเขาพากตะล้อเลียนแกว่าตาทิพเพราะว่าเจ้าขาวกับเจ้าแดงเคยแอบย่องไปขโมยขนมแก แกยังบอกจะมาขโมยขนมข้ากินหรือไงนึกว่าข้าไม่รู้หรือชะๆเดี๋ยวข้าฟ้องท่านมาหาให้โบยสักคนละโหลเลยพอเจ้าแดงแกล้งดัดเสียงถามว่าจะให้โบยใครแกก็ตอบว่าโบยไอ้ขาวกับไอ้แดงนะสิแกตาบอดจริงหรือเปล่าหรือว่าแกล้งท่านพระครูสงสยัยเมื่อฟังจากที่มหาบุลเล่า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 เพราะมันผิดฝาผิดตัวแถมแกยังย้อนให้อีกว่าถ้าเอาผัวเองไปเป็นผัวคนอื่นเอาผัวคนอื่นมาเป็นผัวเองอะ่ะจะใช้ได้ไหมทําอโยมคนนั้นต้องไปหาฝาม่อมาคืนแกจนได้พระมหาบุญรายงานเรื่องโยม อ, อง สงสัยผมจะต้องไปทดสอบสักหน่อยไปด้วยกันเดี๋ยวนี้แหละท่านบอกพระลูกวัดพระมหาบุญจึงเดินไปยังโรงครัวกับท่านสมพานครั้นไปถึงท่านก็เห็นสตรีอายุประมาณ60นั่งเช็ดจานอยู่จึงกระซิบถามพระลูกวัดว่านั่นใช่ไหมที่ชื่อโยม อ, องคนนั้นแหละครับหลวงพ่อลองไปพิสูจน์หน่อยเถอะว่าแกตาบอดจริงหรือบอดปลอม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 แต่จะไม่ต้องใช้มาขโมยเงินใครมิฉะนั้นจะเป็นอาบัติโทษท่านเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าใยอองฝ่ายนั้นมองไม่เห็นเพราะตาบอดสนิททั้งสองข้างหากก็รู้ว่ามีคนมายืนอยู่ข้างหลังเพราะได้กลิ่นกลิ่นที่มาสัมผัสคารณประสาทของหลอนไม่ใช่กลิ่นของคารืหัสหากเป็นกลิ่นของผู้ทรงศีลบริสุทธิ์จะเป็นใครไปไม่ได้ นอกจากหลวงพ่อวัดป่ามะม่วงที่ใครๆล่ำลือกันว่าท่านคลังและศักดิ์สิทธิ์นักหลวงพ่อเหรอจะ๊ะกลับจากทุดงตั้งแต่เมื่อไหร่หล่อนทักทายพร้อมวางจานลงแล้วก็ก้มลงกราบสามครั้งท่านพระครูยังคงยืนนิ่งเพราะต้องการพิสูจน์ว่าสตรีนี้ตาบอดจริงหรือตาบอดปลอม นางสาวอองวัยหกสิบจึงพูดขึ้นอีกว่าทําไมไม่พูดกับฉันละ่ะฉันอุตส่าห์ด้านด้นมหาจะมาเรียนกรรมาฐานกับหลวงพ่อสักหน่อยฉันคุยอวดใครๆว่าจะให้ได้เห็นหนอเหมือนหลวงพ่อหล่อนพูดอีกท่านพระครูนึกคำที่หล่อนช่างปักจิตปักใจว่าจะได้เห็นหนอเหมือนท่านจึงหัวเราะหึห่งๆออกมา นางสาวอองถามเสียงดุดุว่าหลวงพ่อคำอะไรหรือว่าคำที่ชันพูดหลวงพ่ออยากคิดดูถูกชั้นนาคนอย่างชั้นลงได้พูดอะไรแล้วก็ต้องทำให้ได้อย่างที่พูดท่านพระครูเห็นว่าหากยืนนิ่งๆอยู่อย่างนี้คงไม่ดีแน่จึงตัดสินใจพูดกับหล่อนว่าโยม อ, องแกรู้ได้ยังไงว่าเป็นข้า หรือว่าแกมองเห็นฉันมองไม่เห็นหรอกจ่าหลวงพ่อตาฉันบอดมาตั้งแต่อายุสิบสีหล่อนบอกกล่าวเป็นอะไรทึ่งบอดละ่ะเล่าให้ฟังได้ไหมได้สิ จ, จะ๊ะถ้าหลวงพ่ออยากรู้ฉันก็จะเล่านิมนต์หลวงพ่อนั่งก่อนนิมนต์ท่านมาหาด้วยหล่อนพูดเหมือนกับว่า รู้ว่าพระครูไม่ได้มาองค์เดียวทำไมแกรู้ว่าข้ามากับมหาบุญฉันได้กลิ่นคือคำตอบเจ่อหมูแกดีขนาดนั้นเชียวดีหรือไม่ดีฉันก็ไม่เคยปลาดสักครั้งหล่อนถือโอกาสคุยเอาละเอาละงั้นก็เล่าไปซิว่าทำไมแกถึงตาบอดท่านมาหาฟังด้วยกันจะได้ช่วยกันเป็นพยานว่า โยมอองตาบอดจริงหรือปลอมกันแน่บอดจริงๆจักฉันจะโกหกหลวงพ่อไปทําไมโกหกพระโกหกเจ้าฉันกลัวตกนรกแต่พระบังองค์เขากลับไม่กลัวนะโกหกญาติโยมหน้าตาเฉยแกตาบอดแล้วรู้ได้ยังไงว่าท่านโกหกหน้าตาเฉยท่านพระครูถามอย่างนึกสนุก ฉันก็รู้กันแล้วการเอาเหอะไม่ใช่พระวัดนี้หรอกนะหลวงพ่ออย่าร้อนตัวไปหน่อยเลยเอาละเอาละแก่อย่ามัวพูดมากไหนเล่าไปสิว่าไปทำยังไงตาถึงได้บอดมันคงเป็นกรรมของฉันนะหลวงพ่อคือว่าตอนฉันอายุส3บสาแม่พาฉันไปทำงานที่บ้านนายอำเภองานอะไรงานบ้านจะ่ะ แม่แกให้ฉันไปเป็นคนใช้ที่บ้านในอำเภอพอฉันอายุส4ก็ตาบอดคือฉันเป็นตาแดงคุณนายในอำเภอเขาก็บอกฉันว่าให้ไปเอายาหยอดตาที่โต๊ะเครื่องแป้งมาหยอดจ้าจะได้หายฉันก็ไปหยิบมาหยอดทั้งสองข้างเลยพอหยอดเสร็จก็แสบตามากแล้วก็มองไม่เห็นก็ร้องบอกคุณนายคุณนายมาดูก็ตกใจ ว่าดิฉันหยิบยาล้างเล็บบอกว่าฉันหยิบยาล้างเล็บของเข้าไปหยอดยาหนั่นผสมน้ำกรดฉันก็เลยต้องเสียในตาทั้งสองข้างพร้อมๆกันแล้วแกโกรธคุณนายเขาหรือเปล่าท่านทดสอบคุณสมบัติทางใจของผู้หญิงอายุราว60ที่ตาบอดมาตั้งแต่อายุ14 ไม่โกรธหรอกจ้ะฉันคิดว่ามันเป็นเวรกรรมของฉันเองคุณนายเขาก็เสียใจที่เป็นต้นเหตุให้ฉันตาบอดเขาได้พาฉันไปรักษาหลายแห่งแต่ก็ไม่หายในที่สุดเขาก็ส่งข่าวให้แม่ฉันมารับกลับไปอยู่บ้านแล้วเขาก็ส่งเสียเงินทองให้แม่ฉันทุกเดือนกระทั่งฉันอายุ20เขาจึงเลิกส่งฉันก็อยู่กับแม่ ทั้งสองคนจนกระทั่งแม่ตายฉันจึงมาขอพึ่งใบบุญหลวงพอ่อขอให้ฉันอยู่วัดนี้นะจ๊ะฉันจะดูแลครัวให้ถึงฉันตาบอดแต่ก็ดูแลข้าว ข, ของเครื่องใช้ได้จะไม่ให้อะไรหายไปแม้แต่อย่างเดียวเอาเถอะข้าอนุญาตแล้วแกจวนได้เห็นหนอหรือยังละ่ะยังหลอกจกักฉันอธิษฐานจิตไว้ว่า ขอให้ฉันได้วันสุดท้ายที่ยังมีลมหายใจอา้าวถ้าได้แล้วตายจะมีประโยชน์อะไรล่ะมีซิจ้าหลวงพ่อก็ชฉาดหน้าฉันจะได้ไม่ต้องตาบอดไงล่ะเอาละเอาละงั้นก็ขอให้สมความปรารถนาก็แล้วกันขาดเหลืออะไรก็บอกขาไปละมาถึงยังไม่ทันได้พักแล้วท่านก็ชวนพระมหาบุญกลับไปยังกุฏิ เมื่อขึ้นไปชั้นบนของกุฏิท่านไปดูนารีผลที่อยู่ในพานก็เห็นว่าอยู่เรียบร้อยดีจึงทักทายด้วยการถามว่าหลวงพ่อไม่อยู่สองเดือนไปซุกสนที่ไหนบ้างหรือเปล่าล่ะสาวน้อยแรกรุ่นดารุณีสองคนปรากฏกายขึ้นสวมใส่ชุดปัญจวีแบบอินเดียทางเหนือนั่งหมอบอยู่เบื้องหน้าท่านพระครู มือทั้งสองประคองอัญชลีพูดพร้อมกันว่าเราสองคนไม่ได้ไปสุกซนที่ไหนเพราะต้องการจะรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับหลวงพ่ออย่างเกร่งครัดเจ้าค่ะดีมากแบบนี้ถึงจะอยู่ด้วยกันยืดแต่ทําไมวันนี้แต่งตัวแปลกๆเหมือนแขกอินเดียหรือว่าเบื่อชุดไทยแล้วไม่ได้เบื่อเจ้าค่ะพวกเราจะแต่งตัวตามสิ่งแวดล้อม อยู่ที่ไหนก็จะแต่งแบบเดียวกับคนที่นั่นแต่เรากำลังจะกราบเรียนหลวงพ่อว่าจะขอกลับไปเยี่ยมบ้านที่ป่าหิ ม, มาพานซัก7วันเจ้าค่ะไปแค่เจวันเท่านั้นเองหรือจะไปนานกว่านั้นก็ได้นะหลวงพ่ออนุญาตแค่เจวันที่นั่นเท่ากับ7ปีของที่นี่นะเจ้าค่ะอย่างนั้นหรอกหรือถ้าอย่างนั้นก็ไปวันเดียวก็พอต้องไปเจ็วันเจ้าค่ะ อีกเจ็ปีพบกันใหม่นะเจ้าคะ่ะหลวงพ่อเก็บร่างพวกเราไว้ให้ดีและพบกันใหม่ในวัฏจักรชีวิตขอกราบลาเจ้าคะ่ะกราบอย่างสวยงามสามครั้งแล้วหายวับไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปหลวงพ่อยังไม่ได้เข้าใจเรื่องที่เธอพูดที่ว่าพบกันใหม่ในวัฏจักรชีวิตหนะมายความว่าอย่างไร มีเสียงตอบชัดเจนว่าและหลวงพ่อจะรู้เองเจ้าค่ะลาก่อนท่านพลักครูรู้ว่าสองนารีพากันไปแล้วจึงเก็บพานบรรจุทารกเหี่ยวๆคู่นั้นไว้ในตู้อย่างมิดชิดเลิกเรียนแล้วในแดงกับในขาวก็ทะเลทลายแชร์เชียนไปยิงนกตกปลากับเพื่อนๆที่เกเรเหมือนกับตน แม้จะเคยถูกพระมหาบุญเคี้ยนจนหลังลายแต่ยังไม่เข็ดหลาบจนคนเคี้ยนรู้สึกอ่อนใจได้แต่นับวันนับคืนรอให้หลวงพ่อท่านมาปราบเจ้าฝาแฝดจอมเกเรคู่นี้สองหนุ่มน้อยกลับถึงวัดตอนพลบค่าเห็นไฟกุฏิชั้นบนเปิดก็รู้ว่าหลวงพ่อกลับมาแล้วทั้งดีใจทั้งหวาดกลัวระคนกันป่านี้หลงนาะ คงเล่าพฤติกรรมของพวกตนให้กับหลวงพ่อฟังหมดสิ้นแล้วจะถูกเครียดไหมเนี่ยนายแดงพูดขึ้นก็นแล้วแต่เวรแต่กรรมเถอะน้องชายพูดปรงปรงเมื่อขึ้นไปชั้นบนท่านพระครูเพียงแต่พูดว่าตอนข้าอายุเท่าพวกเองข้าเกเรกว่านี้หลายเท่าพวกเองเทียบไม่ติดหรอกอย่าลืมว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าแต่ไม่มีอะไรเหนือกฎแห่งกรรม เองสองคนเดินกฎแห่งกรรมเล่นงานแน่ถ้าไม่เร่งสร้างความดีเอาไปคิดเป็นการบ้านนะเอาละลงไปได้แล้วข้าจะทำงาน